มิลินทปัญหาอุปมากระถาปัญหาจักกวัตติวัคที่สามเรื่ององค์แห่งปัตถีห้าประการสมเด็จพระเจ้ามิลินปินสาคล้าราชจึงมีพระราชองค์การประพาสถามในองห้าแห่งปัตถีกับพระนาค เ, เสนสืบต่อไป พระนาคเกด็จึงถวายพระพรว่าองค์แห่งปัตภพีนั้นบุคคลจะเรียรายลงซึ่งของอันพึงใจและมิได้พึงใจคือเสมหะและน้ำมูกน้ำลายทายอุจาระบัสสาวะลงก็ดีปัตภพีมิได้ยินดียินร้ายยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้านั้นจะได้ลาบอันพึงใจไม่พึงใจก็ดี จะมียศหรือเสื่อมยศก็ดีจะได้สันเสริญ น, นินทาสุขทุกสิ่งใดๆก็ดีก็มีอารมณ์เป็นอุเบกขาคือคงที่ไม่หวั่นไหวดุจปัทภีฉะนั้นนี่เป็นองค์แห่งปัทภีเป็นปฐมอันหนึ่งองค์แห่งปัทภีที่สองคือธรรมดาแผ่นดินห่อนถึงความประดับด้วยเครื่องประดับและรูปไล ต้องอบด้วยกลิ่นของอัตมายะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้าย่อมประดับประดาคือนุ่งห่มกาสายะอย่าได้ละเสียซึ่งกลิ่นแห่งตนกล่าวคือพระจตุปาลิสุทธิศีนและพระปาติโมฆะสังวรสีลและปัจจยะสันนิสิตีิ์และอินทริยสังวรสีล มีอุปมาดังนั้นนี่เป็นองค์แห่งปัตถภีที่คำรบสองปุณณาจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบอพิทพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าปัตถภีย่อมตันมิได้เป็นโพรงเป็นแท่งเดียวชันใดก็ดีพระโยคาวาจอเจ้า พึ่งรักษาศีลบริสุทธิ์เป็นแท่งเดียวไม่ได้ด่างพร้อยเป็นช่องเป็นโพรงดุดปัตถภีฉะนั้นนี่เป็นองค์แห่งปัตถภีคำรบสามปุณจะ บ, บรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐแผ่นดินเป็นที่สงไวซึ่งคามา n ิ a มชนบทพฤกษาบรรพศแนวนาที สะโบคารณีมรคขะปักษีนรนารีมิได้รู้เบื่อหน่ายเกียจคร้านยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าย่อมให้โอวาทความสั่งสอนยังสัตว์ให้รู้กระแสธรรมตักเตือนให้อุตสาหอาหานและมิได้รู้เบื่อที่จะฟังพระสัทธรรมเทศนาดุดแผ่นดินฉันนั้นนี่แหละ เป็นองค์ที่สี่แห่งปัตภีปุณณะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอคัครกษัตริย์อันประเสริฐแผ่นดินนั้นที่จะคิดร้ายเบียดเบียนสัตว์หาไม่ได้หรือจะยินดีต่อผู้ใดก็หาไม่ได้ฉันใดพระโยคาวาจอนเจ้า ก็พึงปราศจากความยินดีและความยินร้ายดุดพื้นพระสุธาฉะนั้นนี่เป็นองค์คำรบห้าแห่งปัตพียุติด้วยคำอันอุบาสิกาช่อว่าจุลสุพัฒากล่าวไว้ว่าเอกันจะปาหังวาสยาตัดเชกัมปิตะมานาโสเอกันจะปาหังคันเทนะ อาลัมเปะยะปะโมทิโตอาหะมั ส, สมิปฏิคังนัตถิราโคอั ส, สมินวิชติปะทะวิสังจิตังตะวะตาทิสาสมนามะมะมีความว่าแต่ก่อนข้าได้มีใจกำเริบฆ่าสัตว์ด้วยอาวุธมีดพราอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง ข่ารูปทาของหอมแล้วชื่นชมยินดีบัดนี้จิตข้าไม่มีปฏิฆะโทสะและราคะอัศมิมาณนะจิตของท่านเป็นดุจหนึ่งพื้นพั ส, สุธาสมณะของข้าก็เช่นนั้นดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งน้ำห้าประการ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสถามองค์ห้าแห่งน้ำสืบไปพระนาคเสน จ, จึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าน้ำที่ไม่ขุนไม่มัวใสยอยู่เป็นปกติบริสุทธิ์นักฉันใดพระโยคาวาจอนเจ้าก็ไม่ได้พูดจาอุบายแยบคายจะหาลาบ มีจิตบริสุทธิ์เป็นอันดีดุดน้ำอันบริสุทธิ์ฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งน้ำเป็นปฐมปูณจะปรังประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าน้ำแล้วเย็นอยู่เป็นปกติยะถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวะจอนเจ้า ประกอบด้วยขันตีเมตตามิได้มีวิหิงสาคิดกรุณาสัตว์มีจิตเมตตาจริงๆดุดน้ำอันเย็นฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งน้ำคำรบสองปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่าอายังอาปโป อ, อันว่าน้ำนี้มีชาติอันสะอาดสิ่งใดเป็นมนทิน ก็ซักล้างให้สะอาดได้ฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าจะเข้าไปป่าก็ดีจะเข้าไปบ้านก็ดีก็พึงกระทามิให้มีโทษในอุปชาและอาจารย์หมดบนทินดุดน้ำฉันนั้นนี่เป็นองค์แห่งน้ำคำรบสามปุณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชา ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐอายังอาปโป อ, อันว่าน้มนี้เป็นที่ปรารถนาแห่งคนเป็นอันมากยะถามีครุวนาฉันดายพระโยคาวะจอนเจ้าพึงยังจิตให้สันเลขาสันโดษก็จะเป็นที่ปรารถนาทำบุญแห่งมนุษย์นิกรและเทวาทั้งปวง ดุดน้ำอันเป็นที่ปรารถนาแห่งคนเป็นอันมากฉะนั้นนี่เป็นองค์แห่งน้ำคำรบสีปูณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอายังอาปโป อ, อันว่าน้ำนี้ย่อมให้สเร็จประโยชน์แก่คนทั้งปวงอันดื่มกินยะถามีขรุวนาฉันใด พระโยคาวาจอเจ้าจะได้ทะเลาะวิวาทและจะได้ประมาทด้วยกายวาจาใจแก่บุคคลผู้อื่นนั้นหาไม่ได้มีแต่จะให้สัตว์เป็นสุขดุดน้ำอันเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายฉันนั้นนี่เป็นองค์แห่งน้ำคำรบห้ายุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาเจ้าตรัสไว้ในกันหาชาดกว่า วารันเจเมอโทสักกะสัพพภูตานมิสระนมโนวาสรีรังวามังกะเตสักกะกัสจิกัาจิอุปหันเยธะเอตังสักกะวรังวเรมีความว่าข้าแต่สมเด็จอมรินทราธิปดีอันมีนามว่าสักกะ ผู้เป็นอิสระเลิศยิ่งกว่าสัพพสัตถ์ถ้าแล้วว่าพระองค์จะพระราชทานพรแก่ข้าพระบาทแล้วไซข้าพระบาทจะขอเลือกเอาพอรนี้คือข้าพระบาทมีความปรารถนามิให้ผู้ใดผู้หนึ่งรบกวนใจให้เดือดร้อนและเบียดเบียนร่างกายให้เจ็บป่วยเวทนาแม้ในเวลาบางคราวบางสมัย ขอพระองค์จงประสาทประสิทธิ์พอรอันนี้ให้แก่ข้าพระบาทตามประสงค์ดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งเพลิงห้าประการสมเด็จพระเจ้าวิริลภูมินธาราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าองค์ห้าแห่งเพลิงนั้นคืออะไรบ้างพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราช ดูราณะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอันว่าองค์แห่งเพลิงเป็นปฐมนั้นคือธรรมดาว่าเพลิงย่อมเผาเอาซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นต้นว่าหญ้าแห้งนั้นให้ไหมได้ฉันใดพระโยคา ว, วาจอนเจ้าพึ่งเผาเสียซึ่งกิเลสอันเป็นภายในและภายนอกอันเป็นอิทธารมและอนิธารมด้วยเพลิงคือเมตายานฉันนั้น นี่เป็นองค์แห่งเพลิงเป็นปฐมอุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐเตโชอันว่าเพลิงนี้นิทิโยอาการุนิโกจะได้กรุณาระไครเชื้อย่าและไม้ผุทั้งหลายหาไม่ได้ยะถามีครุวนาฉันใด พระโยคาวาจรเจ้าก็ไม่ได้รักใคร่ไม่ได้เอ็นดูกรุณาต่อกิเลสทั้งปวงดุดไฟฉะนั้นนี่เป็นองค์แห่งเพลิงเป็นคำรบสองปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัครากษัตริย์อันประเสริฐเตโชนั้นห้ามเสียซึ่งหนาวได้ยะถา มีครุวนาชันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็ถึงทำให้ร้อนคือกระทำความเพียนฆ่าเสียซึ่งกิเลสดุดเพลิงอันห้ามเย็นและหนาวฉันนั้นนี่เป็นองค์แห่งเพลิงคำรบสามปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบ่อพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเตโชอันว่าเพลิงนั้น มีแต่จะพรุ่งไปให้ร้อนให้อุ่นยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าอย่าพึงคิดมัวเมาและเบียดเบียนผู้ใดพึงกระทําใจดุดเพลิงอันร้อนทำให้อุ่นฉันนั้นนี่เป็นองค์แห่งเพลิงคำรบสี่ปุณะจะ บ, บรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐ องค์แห่งเพลิงเป็นคำรบห้านั้นได้แก่แสงเพลิงอันสว่างกำจัดเสียซึ่งมืดมนอนทการยถามีคารุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าพึงสำแดงซึ่งยานาโลกกำจัดเสียซึ่งอวิชันธนาการคือกองอวิชชาอันมืดฉันนั้นนี่เป็นองค์แห่งเพลิงคำรบห้า ยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธพะควันตะบอพิษตรัสโปรดประธานสั่งสอนพระบวรพุทธปิโยรสราหุนเทระด้วยบาลีว่าเตโชสมังราหุละพาวนังพาเวหิเตโชสมังหิเตราหุละพาวะกังพาวะยะโตเยอุปั น, นากุสลา ตัสะจิตตังนะปริยาทายะทัสสติพระพุทธดีกานี้สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธพระคัวันตะบพิตรตรัสโปรดว่าดูกะระราหุนภาวนาเสมอด้วยเตโชเธอจงจำเริญภาวนากระทําจิตของอัตมาให้เหมือนเตโชเมื่อเธอจเริญภาวนาดังนี้ จะเกิดมีแต่กุศลอกุศลก็จะไม่ครอบงำจิตของเธอดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งวายโยห้าประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาเฉลิมปราดององห้าแห่งวายโยนั้นอย่างไร พระนาคเษนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้มีศัก์เป็นอครขษัตร์อันประเสริฐธรรมดาว่าวายอย่อมพัดหอบหวนกลิ่นดอกไม้ในแถวแนวป่าให้หอมหวนเฟื่องฟุ้งไป ย, ยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงยินดีในราวป่า มีดอกไม้อันหอมบริสุทธิ์คือพระวิมุตติธรรมดุจวายูพัดไปในป่าฉนั้นนี่เป็นองค์แห่งวายูเป็นปฐมปุณณจะปรังมหาราชะอีกประการหนึ่งดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์อันประเสรศิฐวายู อ, อันว่าลมย่อมพัดหมู่ไม้ทั้งปวงให้วินาศทำให้โค่นได้หมด ตลอดถึงรากแล้วฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงพิจารณาไปในราวป่าคือสังขารธรรมแล้วพึงกาจัดเสียซึ่งกิเลสทำให้พินาศหลุดถอนจากสันดานดลุดวายโยฉันนั้นนี่เป็นองค์แห่งวายโยเป็นคำรบสองปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่า ดุราณะบอพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัคระกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาว่าวายโยย่อมพัดไปในอากาศฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงกระทำจิตให้เที่ยวไปในโลกุตรธรรมดุจลมพัดไปในอากาศฉันนั้นนี่เป็นองค์วายโยคำรบสามปุณณจะป ร, ะรังประการหนึ่งเล่ามหาราชะ ดูราณะบ่อพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐวายโยอันวะลมย่อมพัดพากลิ่นฟุ้งฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงเสพกลิ่นศีลแห่งตนดุจลมอันหอมหวนให้กลิ่นฟุ้งไปฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งวายโยคำรบสีปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่าวายโยอันวะลม นิราลโยปราศจากที่อยู่หาอาไลมิได้มิได้ปรากฏว่าอยู่ที่ไหนยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจอนเจ้ามิได้อาไลด้วยที่อยู่พ้นจากสันทวรรารใครท่านผู้ใดดุจวายโยฉันนั้นนี่เป็นองค์แห่งวายโยคำรบห้ายุติด้วยพุทธดีกา ที่สมเด็จพระมาหากรุณาธิคุณเจ้าตรัสไว้ในสุตตนิบาตว่าสันถาวะโตพยังชาตังนิเกตาชายะเตระโชอนิเกตาสันทวังเอวังเวมุนิทัสนังมีความว่าเมื่อไม่มีที่อยู่ไม่มีสันทวะคือระใครแล้วความกลัวและทุลีก็หามีไม่ นี้เป็นความเห็นของนักป ร, ราชทั้งหลายดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งบรรพศห้าประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชคอการตรัสถามว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาฉเฉลิมประหลาดองห้าแห่งบรรพศนั้นอย่างไรพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่า มหาราชะดูราณะบวพิทพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอรากษัตร์อันประเสริฐธรรมดาว่าภูเขาเป็นของไม่หวั่นไหวไม่โยกคลอนตั้งอยู่คงที่แม้จะถูกลมพัด ส, สักเท่าใดเท่าใดก็ไม่สะเทือนได้ยะถามีกรุวนาฉันใดพระโยคาวจอเจ้าพึงเป็นผู้คงที่ ไม่หวันหวาในความนับถือและไม่นับถือในความทำดีและทำชั่วความเคารพและไม่เคารพในยศและความเสื่อมยศความนินทาสรรเสริญและสุขทุกข์และรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะอันบุคคลพึงปรารถนาไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง ไม่ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเป็นผู้คงที่ดุดภูเขาฉันนั้นนี้เป็นองค์แห่งบรรพศเป็นปฐมสมด้วยพระพุทธดีกาอันสมเด็จพระมหากรุณาที่คุณเจ้าตรัสไว้ว่าเซโลยถาเอกาโคนวาเตนะนะสมีรติเอวังนินทาประสังสาสุ นัสมินชันติปันดิตามีความว่าผู้เขาเป็นแท่งเดียวไม่มีพโพรงย่อมไม่สะเทือนวันไหวด้วยลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่วันไหวในเพราะความนินทาและสรรเสริญเหมือนฉันนั้นดังนี้ขอถวายพระพรปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งผู้เขาเป็นของแข็งกระด้าง จะได้ระคนคลุกคลีด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหาไม่ได้ยะถามีครุวนาาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็พึงกระด้างไม่พึงระคนคลุกคลีด้วยบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งหุดบันพศฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งบันพศคำรบสองยุติด้วยพระพุทธฎีกา ที่สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธพระควรตบบพิตรัไว้ว่าอาสังสัตถ์ถังขหัตเถหิอนาคาเรหิจูพยังอนโนกษาริงอัปิดฉังตะมะหังพรูมิพระมานังมีความว่าพระโยคาวจรเจ้าองค์ใดเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยอะไรที่อยู่และมักน้อยสันโดษ มิได้เราคนปนอยู่ด้วยคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายแต่ถาคตกล่าวว่าพระโยคาวจอนนั้นเป็นพรามดังนี้ขอถวายพระพรปุณจจะปารังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบอพิทพระราชสมภารผู้เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐวีชังอันว่าพืช มิได้งอกขึ้นเหนือภูเขาอันมีศิลาเป็นแท่งเดียวยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้ามิให้กิเลสงอกขึ้นในสันดานปานดุดภูเขาฉันนั้นนี่เป็นองค์แห่งบรรพศคำรบสามยุติด้วยคำอันพระสุภูติเถระเจ้ากล่าวไว้ว่าราคูประสังหิตังจิตัง ยะธาอุปั ช, ชเตมะมะสยะเมวะปัจจเวคิตวาเอกโกตังทะเมมะหังรัชสิรชนีเยสุทุสนีเยสุทุสติมุยหะเสมุยหนีเยสุนิขมะสะวนาตวงวิสุทธานังอายังวาโสนิมมาลานังตัปปสินัง มาโววิสุทังทุตเสสินิขมาสะวานาตวงมีความว่าจิตอันประกอบด้วยราคะจริตเกิดในสันดานของเราเมื่อใดแล้วเราก็พิจารณาด้วยตนเองเราผู้เดียวทรมานตัวเราใครจะได้ช่วยทรมานหาไม่ได้ตัวท่านนี้ยังกำนัดยินดีอยู่ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความยินดี ยังขัดเคืองในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองยังหลงในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงท่านอย่าได้อยู่ในป่านี้ท่านจงออกไปจากป่านี้อันว่าป่านี้เป็นที่อยู่แห่งท่านผู้หมดจดทั้งหลายผู้มีศีลมีตบะจะได้ไปเป็นที่อยู่แห่งคนทุศีลหามิได้ท่านอย่าประทุษรายซึ่งท่านผู้บริสุทธิ์จงรีบออกไปจากป่าเสีย ดังนี้ขอถวายพระพรปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาว่าบัรพดย่อมสูงปรากฏยะถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้าผู้ประเสริฐก็ประกอบด้วยปัญญาอันสูงสุดดุจภูเขาฉันนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งบรรพศคำรบสี่ยุติด้วยพระพุทธดีกาอันพระสัมมาสัมพุทธพควันตะบอพิษส่งพระกรุณาโปรโดประทานไว้ว่าอัปมาทางปมาเทนะยะทานุทติปันดิโตปัญญาปาสาธมารุยหะอโสโกโศกินิปชังปภะตัดโถวะภุมมเัเถ ทีโรพาเลอเวคติมีความว่าบัณฑิตย่อมบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทเมื่อใดเมื่อนั้นท่านขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราสาสหาความเศร้าโศกไม่ได้พิจารณาเห็นหมูสัตว์ผู้เศร้าโศกอยู่นักป ร, ราดย่อมพิจารณาเห็นคนพานดุดบุรุษผู้ยืนอยู่บนภูเขาและเห็นคนผู้ยืนอยู่บนแผ่นดินฉะนั้น ดังนี้ขอถวายพระพรปุณณาจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าบัรพ์ไม่ได้โอนเอ็นไปยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ไม่ได้โอนเองนไปในโลกกรรมดุดดังภูเขาอันไม่ได้โอนเอ็นไปมาฉันนั้น นี่แหละเป็นองค์แห่งบันพศคำรบห้ายุติด้วยคำอันนางสุภัทาอุบาสิกากล่าวไว้ว่าลาเพนะอุ น, นโตโลโกอลาเพนะจ่าโอนโตลาพาลาเพนะเอกถาตาทิสาสมนามะมะมีความว่าธรรมดาสัตว์โลกเป็นโลกี แม้ว่าได้ลาบแล้วก็ฮึกเหิมเพอ้อไปเมื่อเสื่อมลาบก็เศร้าโศกเสียใจอกตรมอันสมณะของเรานี้จะได้น้อมไปด้วยลาบใช่ลาบหาไม่ได้ตั้งอยู่คงที่จะเป็นดุดโลกิยสัตว์นั้นหาไม่ได้ดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งอากาศห้าประการ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาเฉลิมปราดองห้าแห่งอากาศนั้นอย่างไรเล่าพระนาคเสณจึงวิสัชนาว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐอากาโสนามะชื่อว่าอากาศ อะเคยโหหาผู้จะถือเอาไม่ได้ยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าพึงกระทําน้ำใจอย่าให้กิเลสถือเอาได้ดุดอากาศฉันนั้นนี่เป็นองค์แห่งอากาศเป็นปฐมปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ ธรรมดาว่าอากาศเป็นที่เที่ยวแห่งฤาษีและดาบทยะถาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็พึงกระทาอารมณ์ให้เที่ยวไปในสังขารพิจารณาเห็นเป็นพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตานี่แหละเป็นองค์แห่งอากาศคำรบสองปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอคัครกษัตริย์อันประเสริฐอากาโสนามะชื่ออันว่าอากาศอสันทิโตมิได้เป็นที่ตั้งยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าพึงกระทำอารมณ์ให้ปราศจากลาบทั้งปวงมิได้ยินดีในพบดุจอากาศอันหาที่ตั้งมิได้ฉันนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งอากาศคำรบสามปุณจะ บ, บรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชะสมภารเจ้าผู้มีสาเป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐอากาโสอั่าอากาศอนันโตหาที่สุดมิได้อัปปเมโยอัปปมาโนจะนับจะประมาณไปว่ากว้างใหญ่เท่าไรก็ประมาณมิได้ ยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวะจอนเจ้าก็พึงมีศีลมารยาทประมาณมิได้และมีพระปัญญาประมาณมิได้ดุจอากาศฉันนั้นนี่เป็นองค์แห่งอากาศเป็นคำรบสีปุณจัปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมผ่านเจ้าผู้มีศักดิ์เป็นอัคราษตรอันประเสริฐ อากาโศอันว่าอากาศมิได้ขัดข้องเปล่าอยู่หาปริพโธ์มิได้ยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าพึ่งกระทําอารมณ์มิได้ข้องอยู่ในกิเลสทั้งปวงและมิได้เป็นปริโภธด้วยลาบและตระกูลย่อมละหมู่และคณะดุดอากาศอันหาที่ตั้งมิได้ฉันนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งอากาศเป็นคำรบห้ายุติด้วยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสดาสัมมาสัมพุทธบพิพเจ้าส่งพระกรุณาให้โอวาทแก่พระพุทธโอรสราหุลเทระเจ้าดังนี้ว่าสยยถาปิราหุละอากาโสกัตจิปติติโตเอวเมวะโขวะตาวังราหุละ เตอากาสัสะสะมะภาวนังภาเวตพังมีความว่าดูราณราหุนอันว่าอากาศหาที่ตั้งไม่ได้ยะถามีขรุวนาฉันใดดูราณราหุนเธอจงจำเรินภาวนาให้จิตนั้นเปล่าดุดอากาศฉันนั้นดังนี้ขอถวายพระพรเรื่อง องแห่งพระจันทร์ห้าประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหน้าคเสณผู้ปรีชาญาณองแห่งพระจันทร์ห้านั้นอย่างไรพระผู้เป็นเจ้าหน้าคเสณจึงวิสัชนาว่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักด์เป็นอัคราษตร์อันประเสริฐจันโทนามะธรรมดาว่าพระจันทร์ครั้นสุกะละปักข้างขึ้นแล้วจำเริญพระรสมีสว่างขึ้นไปยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าพึ่งเจริญด้วยอาจาระและศีละคุณวัตปฏิบัติเป็นอันดียังไตรปิฎกและโลกุตตะ และชมชานให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพึงประกอบสํารวมอินทรีย์ประมาณที่จะบริโภคอาหารและประกอบความเพียรเครื่องปลูกใจให้ยิ่ ง, งยิ่งขึ้นไปดุจพระจันทร์อันมีพระรัศมีรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในสุกละปากข้างขึ้นฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระจันทร์เป็นปฐมปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐพระจันทร์นั้นก็จัดเป็นอธิบดีอย่างหนึ่งยาถามีครุวนาชันใดพระโยคาวะจรเจ้าพึงประพฤติในเรื่องที่เป็นใหญ่เป็นฉันทาธิบปดีปรารถนาสันเลขาเหมือนพระจันทร์ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระจันทร์คำรบสองปุณจะปรัง อีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัคราษตรอันประเสริฐธรรมดาว่าพระจันทร์นั้นย่อมเที่ยวไปเห็นปรากฏในราตรียะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าพึงเที่ยวไปในที่สงัดเป็นนิสัยดุจพระจันทร์ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระจันทร์คำรบสาม ปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่าพระจันทร์นั้นมีวิมานเป็นธงชัยฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็มีศีลเป็นธงชัยดุจพระจันทร์ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระจันทร์คำรบสี่ปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชาดูราณะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ ธรรมดาว่าพระจันทร์เจ้าอันบุคคลไม่อ้อนวอนไม่ปรารถนาก็ย่อมขึ้นสองโลกยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวะจอนเจ้าเมื่อตระกูลไม่อาราธนาไม่ปรารถนาก็พึงเข้าไปสู่มาหาดุดพระจันทร์ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระจันทร์คำรบห้า ยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธสัพพันยูบรมครูเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายอันประเสริฐว่าจันทูปมาพิกเวกุลานิอุปสังกมัธะอวังกัสกายังอวังกัสจิตตังนิจจังวิริยังอปะคาโพมีความว่าพิกเวดูราณะพิกสุทั้งหลาย พวกเธอจงเข้าไปสู่ตระกูลเหมือนพระจันทร์แต่อย่าขนองกายขนองจิตอุตสาหะสัมรุมด้วยดีเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายของผู้อื่นดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งพระอาทิตย์เจ็ประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้านาเคเษนผู้ปรีชาเฉลิมปราดองค์แห่งพระอาทิตย์เจกนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระนาเคเซนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัคราษตรอันประเสรศิฐธรรมดาว่าพระอาทิตย์ย่อมเผาพืชทั้งปวงให้แห้งไปยะถามีครุวนาชันใด พระโยคาวาจรเจ้าพึ่งเผาเสียซึ่งกิเลส ท, ทั้งปวงให้แห้งไปเหมือนฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระอาทิตย์เป็นปฐมปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐอันว่าพระอาทิตย์ย่อมกำจัดเสียซึ่งอนทการคือมืดให้สว่างยะถามีครุวนาฉันใด พระโยคาวาจรเจ้าพึงกำจัดเสียซึ่งราคะทั้งปวงอันมืดและโทสะทั้งปวงอันมืดและโมหะทั้งปวงอันมืดและทิฏฐิอันมืดและกิเลสอันมืดและทุจริตอันมืดให้สว่างจากสันดานฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระอาทิตย์คำรบสองปูณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัคราษตร์อันประเสริฐธรรมดาว่าพระอาทิตย์ย่อมเวียนไปตามคือเที่ยวไปเนืองเนืองยถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงทำโยนิโสมณสิการในปฏิบัติอย่ารู้ขาดดุดพระอาทิตย์อันเวียนไปฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระอาทิตย์คำรบสาม ปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชาดูราณะบ่อพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าพระอาทิตย์ย่อมมีระเบียบพระรัศมียะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจอนเจ้าก็มีระเบียบในอารมณ์ดุจพระอาทิตย์ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระอาทิตย์คำรบสี ปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐพระสุริยะย่อมยังคนทั้งหลายให้ร้อนด้วยรัศมียะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ยังมนุษย์โลกกับทั้งเทวโลกให้ร้อนด้วยมารยาตศีลคุณวัตตปฏิบัติและชาณวีโมก สมาธิสมาบัติและอินทรีย์และพระโพชฌงค์และสติปัฏฐานสั ม, มบัติฐานอิทธิบาทดูดพระอาทิตย์อันมีโอภาสอันร้อนฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์คำรบห้าแห่งพระอาทิตย์ปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐ ธรรมดาพระอาทิตย์เที่ยวไปย่อมกลัวภัยคืออสุรินทราหูเป็นอันมากยถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าเห็นสัตว์โลกอันทนทุกข์อยู่ในทุกขติหรือมีสันดานคล้องอยู่ด้วยกิเลสและทิฐิอันลามกปฏิบัติผิดทางก็มีน้ำใจสลดสังเวชดุจพระอาทิตย์อันกลัวอสุรินทราหูฉันนั้น นี่แหละเป็นองค์แห่งพระอาทิตย์คำรบหกปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐพระอาทิตย์ย่อมสองให้เห็นช่องดีชั่วได้ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงแสดงธรรมเป็นโลกิยะและโลกุตระด้วยอินซี พระละโพชงสติปฐานสมะปทา น, ทานอิทธิบาตให้แจ้งประจักษ์ดุจพระอาทิตย์ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระอาทิตย์คำรบเจ็ดยุติด้วยคำอันพระผู้เป็นเจ้าวางคีสเถระกล่าวไว้ว่ายะถาสุรโยอุทยันโตรูปังทัสติรูปินังสุจินจาสุจินจาปิ กาลยานันจา ป, ปาปากังตาเทวพิขุธรรมธโรอวิชายยะปิหิตังชนังปะชังทัสติวิวิธังอาธิจโจอุทยังยะถามีความว่าพระอาทิตย์เมื่ออุทัยขึ้นย่อมส่องให้เห็นรูปแห่งของที่มีรูปทั้งหลายย่อมส่องให้เห็นของสะอาดและศกปรก ทั้งสองให้เห็นของดีของชั่วได้ยะถามีขรุวนาฉันใดพิกษุผู้ทรงธรรมย่อมยังหมู่ชนอันอวิชชาปกคลุมแล้วให้แลเห็นธรรมดุดพระอาทิตย์ที่อุทัยขึ้นมาทองให้เห็นสิ่งต่างๆฉันนั้นดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งเทา้าสกกะสามประการ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสถามต่อไปว่าพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปริชาญาองค์สามแห่งเท้าสาก่นั้นอย่างไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเษศจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารขึ้นชื่อว่าเท้าสกะเทวราชย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขส่วนเดียว ยะถามีขรุวนาชันใดพระยูข่าวบาจรเจ้าก็ยินดีนในความสุขเกิดแต่วิเวกอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวเหมือนฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งเท้าสกกะเป็นปฐมปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งมหาราชะลูรานะบอพิทพระราชสมภารเท้าส ก, กะผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย พบเห็นพระธรรมแล้วย่อมยกย่องทำความร่าเริงให้เกิดยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็พึงประคองไว้ซึ่งใจให้เบิกบานไม่เกียรติครานสงบระงับยังความร่าเริงใจให้เกิดในธรรมเป็นสุขทั้งหลายและพึงลุกขึ้นทำความเพียรพยายามเหมือนกับเท้าสักกะฉันนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งเท้าสักกะคารบสองปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชดุรานะบพิษพระราชาสมภารเท้าสักกะเทวราชจะได้เกิดความเบื่อหน่ายในสมบัติของพระองค์หาไมิได้ยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าไม่พึงทําความเบื่อหน่ายในเรือนอันว่างเปล่าให้เกิดขึ้น เหมือนเท้าส ก, กะเทวราชฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งเท้าส ก, กะคำรบสามยุติด้วยคำอันพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าสุภูติเทระเจ้ากล่าวไว้ว่าตะวะสาสนีมหาวีระยะโตปัพชิโตอหังเอกสัญญาณนาพิชานามิอุปปันังกามสัหิตังมีความว่า ข้าแต่ท่านผู้มีเพียรใหญ่เราบวชแล้วในศาสนาของท่านไม่ได้ทราบชัดซึ่งสัญญาอันหนึ่งที่อาศัยกามคุณเกิดขึ้นดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งพระเจ้าจักรพัทธีราชสี่ประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่า พันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาเฉลิมปราดองค์สี่แห่งสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิียราชนั้นเป็นไฉนพระผู้เป็นเจ้านาคเกษสน จ, จิงถวายวิสัชนาว่ามหาราชดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ ธ, ธรรมดาพระเจ้าจักรพรรดิียราชย่อมยึดเหนี่ยวน้ําใจไพรฟ้าประชาราชดอนไว้ได้ด้วยสังคหาวัตถุสี่ประการยถา มีครุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ยึดเหนี่ยวน้ำใจของบริษัทสีไว้ได้และประคองทำใจของบริษัทให้ร่าเริงดุจพระเจ้าจักรพรรดิราชฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์ของพระเจ้าจักรพรรดิราชเป็นปฐมปุณจจะ บ, บรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชสมภาร พวกโจรที่เป็นเสี้ยนน้ำแห่งแผ่นดินหาเกิดมีไม่ในพระราชอาณาจาของพระเจ้าจักรพัทิิราชยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็ไม่พึงให้วิตกทั้งหลายคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นในสันดานได้ฉันนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งพระเจ้าจากรพัดเดียราาคำรบสองยุติด้วยคำอันสมเด็จพระสัพพัญญุบรมครูเจ้าตรัสไว้ว่าวิตกูปะเมจะโยระโตอสุพังภาวยติสทาสโตเอสโขพยนิติกาหติเอสเชชติมารพันธนังมีความว่าก็ภิกษุรูปใด ยินดีแต่ในธรรมเป็นที่ระงับวิตกมีสติเจริญอสุภะอยู่ทุกเมื่อภิกษุนั่นแหละจะ ก, กระทาให้สิ้นสุดได้จะตัดบวงมารได้ดังนี้ขอถวายพระพรปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเจ้า พระเจ้าจักรพรรดิราชทรงพระคำนึงถึงบุญและบาปทรงสั่งสอนไพร่ฟ้าประชาราษฎรที่อาศัยอยู่ในพระราชอาณาจักรตลอดขอบเขตมีมหาสมุทรเป็นที่สุดเสมอทุกวันยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้า ก, ก็พึงพิจารณากายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมอยู่ทุกวันทุกวันว่า วันของเราผู้ไม่คลองอยู่ด้วยฐานะทั้งสามนี้ล่วงไปบ้างหรือไม่แล้วก็ชำระ ก, กายวาจาใจให้บริสุทธิ์ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระเจ้าจั ก, กรพัทดีราชคำรบสามยุติด้วยพระพุทธดีกาอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเอกนิบาตอังคุตระนิกายอันประเสริฐว่า บัพชิตควรพิจารณาทุกวันทุกวันว่าวันคือล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้ขอถวายพระพรปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารพระเจ้าจะกระพัดดีราชทรงปกครองพระราชาอาณาจักรเป็นกวดขันทั้งภายในภายนอก ยะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวจอเจ้าก็พึงตั้งนายประตูคือสติไว้เพื่อให้ระวังรักษากิเลส ท, ทั้งภายในภายนอกมิให้รบกวนสันดานได้ดุจพระเจ้าจั ก, กรพรรดิราชผู้รักษาพระราชอานาจาของพระองค์ยางกวดขันฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระเจ้าจั ก, กรพรรดิราชคำรบสี่ ยุติด้วยพระพุทธดีกาอันพระมหากรุณาเจ้าตรัสไว้ว่าสติโทวาริโกภิกเเวริยะสาวโกดังนี้เป็นอาทิความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกมีนายประตูคือสติประจำอยู่ย่อมละอกุศลเสียทำกุศลให้เกิดได้และละธรรมที่มีโทษเสีย จะเริญนธรรมที่ไม่มีโทษได้บริหารรักษาตัวทําให้บริสุทธิ์ดังนี้ขอถวายพระพรจบจักรวัติวัตที่สามแต่เพียงนี้ในที่สุดวักนี้พระคันธารัจนาจารย์พระพันคาถาแสดงข้อบทมาติกาที่กล่าวมาข้างต้นไว้ว่าปัทวีจะอาโปจาปิเตโชวายโยจะปัพพโต อากาสสจันทสุริโยจ่าสกโกจ่จักกวัตติจ่ามีความว่าองค์แห่งแผ่นดินองค์แห่งน้ําองค์แห่งไฟองค์แห่งลมองค์แห่งบรรพศองค์แห่งอากาศองค์แห่งพระจันทร์องค์แห่งพระอาทิตย์องค์แห่งเท้าสก่าองค์แห่งพระเจ้าจักรพรรดิเดราดองค์เหล่านี้ ท่านจัดไว้เป็นวรรคหนึ่งดังนี้แล